นม่มเสียงเนยม่มเสียงเสีงไม่ออกเลยใหม่ไม่เปิดใหม่เสียงเสนนั่นเดียวเออต่อเสียงเรื่องนี่แหละอะไรแค่แค่แค่เสียงก็เราผู้เชี่ยวฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าหมูชนผูเ้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงพากันมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าให้เป็นสถาบังจึงจะสำเร็จได้ปฏิบัติเป็นสถาบัน มีความรู้สึกตัวเป็นสถาบันความผู้งี้เท่าไหร่ละตะพึ่ดตะปืเป็นสถาวันความดีเมท่าไหร่ไปทำตะพึ่ดะปืนเป็นสถาวันไม่ยึดติดจริงเท่าไรทั้งสิ้นเป็นสถาบัาบาบาาบ จ, จทีจะสําเร็จหากมีความหลง เรียนคล่องหลงแต่มกลมเรื่องจิตตัวเป็นสถาบันเหมือนผู้ที่ได้ศึกษาแล้วเชื่อฟังแล้วเราเชื่อฟังอย่างนี้เึงมาปฏิบัติตามคําสอนของอุตรเจ้าเรียกว่าปฏิบัติดีเป็นสถาบันปฏิบัติตงเป็นสถาบันเึิดเลยไม่ดีสิ่งใดไม่ถูกต้องต้องตูกความดีความถูกอยู่เสมอ ปฏิบัติออกแกทุกจิงได ท, ที่ไ ม, ม่เกิดทุกทาให้ตัวเองเป็ทุกทาให้คนอื่นเป็นทุกเบียดเบียนคนอื่นชิงเงินเป็นทุกปฏิบัติอย่าทำออกากสิ่งเหล่านั้นได้เป็นสถาบังปฏิบัติสม่ำสมอคงเส้นคงวา กองฤาษีเป็นสถาบัตแจงเรียกว่าหมู่ชนผู um ้เชื่อฟังคสอนของผู้ธัด้างฏิบัติเที่ยวตามธรรมได้เมื่อเราปฏิบัติได้แล้วก็ช่วยก็อื่นบอกคนอื่นถ้าไม่บอกคนอ่ถือว่าไม่ชาไม่สูกต่อ เมื่อตอนละความชั่วแล้วเมื่อตอนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดบคนอื่นชิ ง, งอื่นไม่ชิงอื่นวัตถุอื่นได้แล้วก็วต้องไปชวนคนอื่นให้ของไม่เบียดเบียนเขาให้เขาไม่เบี่เบียนคนอื่นจึงวัตถุอื่ต่อไปเราไม่มีทุกก็ต้องสอนคนอื่นให้เขาไม่มีทุก ถ้าเราเห็นเขาโกรธก็ต้องช่วยเขาให้เขาหายให้เขาหายโกรธโดยวิธีโดยวิธีเนะนี่ยคือคุณธร่มจะย่ า, า, ยาทรรมทำดีต่อกัน <c oughs> สิ่งที่เป็นความดีพยายามทําสิ่งที่เป็นความดีต่อกันะกนะครับกับทุกสราวสิ่งร่ำดีเกิดจากเรานี่ อยาให้มันดีอยู่ในเราคนเดียวถ้ามันแค่ก็อยาให้ไปกับสิ่งเหนือวัตถุอื่นเราทำได้สาเร็จมือมีมือห้านิ้วสิบนิ้วมีกายมีใจมีวินญาณธาตุในความรูกมีจิกงคกวามรูเป็นวินญาณธาตุมันกอดเข้าโลก มันหนาก็รู้มันสุกก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันหนิวมันปวดมันเมื่อยก็รู้เราจะให้กวรู้เดี๋ยวนี้ยเอาไปเกี่ยวข้อกับมสิ่งต่างๆเอามาเกิดขึ้นจากกาจจากใจเราก็ เ, าเหมือนกันหมดทุกคนทั้งหลายเขื่อเรามีรู้มีนาวมีกายมีใจเป็นรู้เป็นนาวคนอื่นก็มีรู้มีนา ปัญหาเกิดขึ้นที่ลูปพี่นาองคนหนึ่นก็เกิดขึ้นที่รูปพี่นาอเราก็เกิดปัญหาขึ้นที่รูปที่นาอในรูป ก, ก็มีหลายอย่างที่มันเกิดปัญหาถ้าให้เปลีนทุกเป็นทก็์เมีเรื่ออง ถ้าช่วยเราแล้วก็ช่วยคนอื่นเยี่ยว่าจทำที่ควรจะทำดีโตกันเผื่อใจกันจาป่วยกันทพ่งเราเป็นสัตว์สองขวบเกี่ยวกันจนกลุ่มจนครอบกระฟัวเป็นเพื่อนจนร่วมงานม า, มาเจอกันเอง สิ่งที่ไม่ถูกไม่ตอจนคนไหนที่หลงควรจะเหนใจสองหลงเป็นเช่นนั้นเกิดโทษเกิดโทษาช่วยให้เขาไป่หลูวิธีใดวิีหนึ่งเหมือนที่เราสาจะประสงคที่ว่านก่าทูลเจ้าว่าการมีนิดดีมีสายดีมีเพื่อนดี เป็นคึบหดึ่งขอ ง, อจจรองรอ พ, พรมอาจารย์คือความโดทุนผมอาจารย์ไปทำให้ปลอดภัยบริสุทธิ์หมดจุดพระเจ้าได้ตักเตือนข้าหนว่าอย่ากล่าวเสียนั้นมันเป็นทั้งหมดของพรมอาจารย์เลยทีเดียวจางมีมิตรีเพื่อนดีสายดีคืออะไคือสะรูจักช่วยกัน ทานี้ความเกิดก็เปนความไม่เกิดท่าในีความเกิดก็มีความไม่เกิดจะช่วยกันไปวกเรานพู้อาศัยพองเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเจ้าคาือธรรมะในความหลงมีความไม่หลงนี่คือพุท ธ, ธะเมื่อเจ้าเคยเห็นความหลงมาแล้วแล้เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนได้บัดนี้บัดนีรร้เคยมีทุกข์ เปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกนะคามไปแบบนี้นั่นก็เป็นทั้งหมดของภพมาจาิตวิธีปฏิบัติเอาควมทุกข์ตามหลักของทิศดีในอริยสัจฉิในอริยมรรคจึอเห็นปฏิบัติตามทิศดีที่ ที่วางมว้อย่างเพิ่งไม่ได้ดตัดไม่ได้เป็นเช่นนั้เห็นทุกไม่เป็นทุกพ้นจากความทุกเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธเห็นความแก็ไม่เป็นผู้แจ่พ้นจากความแก่เห็นความเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บพ้นจากความเจ็บเห็นความตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจากความตายอะไรสืบมาเกียเ่ยมัเก่มันตาย กานเป็นรูปเป็นนาชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรชีวิตจริงๆที่มันเป็นชีวิตมันไม่เป็นอะไรภาวะไม่เป็นอะไรภาวะที่เห็นเนี่ยแลชีวิตมันเลยไม่เป็นอะไรุทุกทุกมันคือชีวิตมันมันย่ายเป็นหลัก ถ้าเห็นมาสุไม่เป็นผู้สุกเออชีวิตเขนมาแน่นอนมันคงชีวิตแบบนี้ไม่มีในความเจ็บความเจ็บความตายคือเห็นตามความเปจริงมันอ็มีความเจ็บเจ็บจริงๆอนะ่ะมันเป็นรูปความเจ็บก็น่าจะขอบคุณมนะันมันเป็นอาฬกาของรูปที่ฉดาด <c oughs> ช่วยลูมันหิวก่อความความหิวมันจะมาเป็นทุกข์ความอิ่มก่อควาความอิ่มไม่มาเป็นสุขมันเป็นขนาดนักจากจะมีหนวดทิศดีเอาไปเฉลยกับทุกอย่างได้ในการใช้ชีวิตร่ ว, วมกันสองคนกับัถุสิงของกับตัวเองกับคนอื่น ในรูปในนอนมันมีความไม่เที่ยงทุกรูปทุกนามมันมีความเป็นทุกทุกรูปทุกนามมันมีความไม่ใช่ตัวตนทุกรูปทุกนามเมื่อเราเห็นตัวเราเป็ น, ช น, นเช่นนั้นคนอว่าเป็นเชน่นนี้มีความเสียความเสียความตายเป็นเช่นนี้เกิดเกลี้ยดับไปมีแล้วหายไปเชน่น ก, กันหมด เมืดอเกิดอะไรเช่นี้มันก็เห็นอกเห็นใจกันตามคนามก็ตามในความมาเที่ยงครอบงำอยู่ตามความก็ตามในความทุกข์ครอบงำอยู่ตามความก็ตามในความไม่ช่อตัวตนครอมยู่ไม่มีใครเใหญ่ในรูปในนามได้ก็เป็นอย่างนี้เขเห็นใจกัน มีความเปิดความแจกความเก็บความตายในรูปในนามนี่เหมือนกันจะไปทําให้กันต้องเก็บต้องหลงบาปห้ือไม่ได้เห็นใจกันจริงๆทําดีต่อกันจริงจริงเห็นตรงเส็นใจกันจริงๆเหมือนกับคนคนเดียวกันโมกเดียวกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจิดตายด้วยกันเือนนี่หลงจานอนอยู่เต้น พอฟอเห็นอะไรมันชุกชุกอยเนี่ยค่อค่อยมือคำดูเป็นมูมหรือเป็นอะไ น, น, นี่เป็นทุกชืยย่ออะไรนาะเนี่ยต้องไปาากำกำเล่ๆมันเสียเียเียดเยน็นเย็นับดูรูปรูดูรูไปดูมามันนั้นเป็นเขียดเป็นกบตัวนหนึ่งเป เออเพื่อนยากเออนะอาสน์กันนอนนะเนะี่ก็สอนไปดูค่อยๆเปิดง ม, มออกเกินเกียบกับป่าตัวมก ย, ยันมันมาอาศันอนด้วยมันลัวตายมันมีภายเหมือนกันเนะ่ที่นี่ก็มีป่ามีทุกอยา่าง ให้สัตวทั้งานอยู่ด้วยกัรนหละไม่เบียเดเบียนกันมีเหงื่อห้อย ม, มีแมลงมีงูอยู่ด้วยกันไม่เบียเดยเบียนการเสียหน้ากันก็เออเพื่อนเพื่อนยาเพืเสียก็พูดเหมืนจะเพื่อ น, ออนในการเกิดเจตสติด้วยกรันนะดูกันเหมือนเพื่อน เราดูมันมันก็ดูเรามันเอ็นหลังลงมันเจ่หาเด็กเด็กเดกด็กแ้วก็ดูดดยังเดินเพื่อนกบบไม่ได้คิดกลัวไม่ได้ลังเขียบเรามันดูกันมองดูเรากระโหน้าเรากระหลบิ่งเข้าไปทางไหนแล้วก็ไปเราเดินขึ้นไปเราเคลียร์หัวใจแต่ก่อนหัวใจไหลไม่อยู่เบอร์แตกน่น เหือนเพื่อนแดนล่แต่เสือไม่น่าไม่น่าเลยหมาบ่าไม่น่าจะไหวหวั่นใจกับท่าจะดูหวั่นหมาป่าที่นี่ตัวใหญ่ให้เหมือนหมาจกทุ่งหมาตากันตาในตัวมันตัวใหญ่เหมือนหมากระลา <c oughs> มองอะไรเป็นเพื่อนแต่ทั้งหมด เดินมันแรงก็แรงเพื่อนกันมันทําชั่วต่อกันไม่ได้ทำไมเราจะมาเบียดเบ น, นกันทําให้คนอื่นร้อนเป็นไปเลยโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะน่าจะเป็นทีมเหมือนกับทีมฟุตบอลทีมกีฬาหวังขึ้นให้เพื่อนทําดีคนนี้ทำ ด, ทำดีช่วยกันบางคนก็มีปัญญามากบางคนก็มีปัญญาน้อย เป็นธรรมดาจะให้เหมือนกันเหมือนเราหมดทุกคนมันก็นเป็นไปไม่ได้นี่คือคุณธรรมในหน่วใจเราจะบางคับให้คนอื่นเหมือนเรามันเป็นไปไม่ได้นี่แต่เราก็ยังไม่ถูกใจเราบางทีก็ไม่ได้ไดังใจในชีว์เหล่านี้จะนอนมันไม่ยากนอน แั้วก็มีเรื่องอะไรที่มันเพีย้ยนเปลี่ยบ่าโอขานี่ให้เรารู้จักตัวเองมากที่สุดการรู้จักตัวเองจริงๆนี่เรียกว่ารู้จั ก, จกสมองละพูนมีใช้พูนเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ฉเฉลียวฉะลาดอะไรที่มันเกิดจากลูกจากนามลูกหมดลูกลูกท่วนตอบได้เฉลยได้อันชื่อว่าลูกวันนามเนี่ เมื่อตอบตัวเองมามันก็ตอบคนอื่นรู้แล้วเห็นคนอื่นก็รู้แล้วมันเหมือนกันหมดมทุกค์เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันความร้อนควองหนาวเหมือนกันเราจึงเห็นตัวเราก็าเห็นคนอื่นเจรเงนินวัตถุอื่นเกี่ยวข้องสิงอื่นได้ทั้นไหนที่ ที่หลงมากควรจะใส่ใจยิ่งบางทีเรายังเอาความหลงความโกรธมาเป็นเรื่องขัดแย้งกันมันไม่ใช่จริงๆอย่างเงี้ยเสียอมเสียความหลงความโกรธบางทีเป็นผัวเป็นเมียกันทะเลาะ ก, กันไาน้เอาความโกรธมัขัดวางแย้งกันมันไม่ใช่จริงๆความโกรธมันไม่มีในใจมันเป็น อาการตุกขามันจอนมาเราให้ค้ามาันน่าจะช่วยกันตรงนี้น่าจะช่วยกันให้เกป็นตรงนี้เราช่วยกันเ็นตรงนี้แหละโอ้หลักหลักการวิญญาณมิตเวลาในความทุกข์ช่วยให้ไม่ทุกข์เวลาในความเจ็บช่วยให้ไม่เจยบเวลาในความเจยบช่วยให้ไม่เจ็บหัวช่องหาาัวท่าช่วยกันไม่ไดีจริงๆความโกรธ ให้เป็นประโยชน์สร้างธุรกนินเป็นประโยชน์ขนส่งศาสนาเป็นศาสนาขนส่งให้ชีวิตพ้นจากปัญหาให้เป็นปัญญาปัญหาเกิดกระที่รูปที่นามเหมือนกันมีใครบ้างที่ขนส่งที่พ้นจากปัญหาสิเหล่านี้ได้ แล้วก็เป็นหน้าที่ที่ช่วยบนเหลือกเราช่วยคนที่หลงไม่หลงเยมันเป็นงานโชคที่สุดการช่วยคนที่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ตระการงานโชคที่สุดนี่คือชีวิตของเราเพื่อให้ได้ชีวิตอย่างนี้จริงเป็นมนุษย์สม จึง เ, เป็นมนุษย์ที่มีสัตว์สั์รว่าสัตว์ั้งหลาถ้าไม่มีขนธรรมไม่ประเสริฐนะาภาพกว่าสัตว์อื่นอย่างเราอยู่ที่นี่อาศัยอื่นมาอยู่อาศัยไม้มาทำเป็นที่อาศัยอาศัยใหญ่อาศัยเช่นหน้าเชิดผ้า็เื่องมัง เอามาจากทราใช้สมันหมดเรามาเรียกว่าเราพัฒนาตอนไมกตอนนี้มันเป khi khi ็นใบเขียวๆบวกลูกอวกล้าตัดมันมามาทำเป็นเส า, าบ้านหร้อเ่าบรรพัฒนาฐานะดีขึ้นแต่อันหนึ่งมันจิบหายนี่คือเราเอาสายคนสิ่งอื่นมา จนที่อาศัยไม่เหมือนนกไม่เหมือนสัตว์อันอนแล้วก็มันมีสมองมนุเนี่ยสมองนี่มันทาให้เคียดได้อเป็นวิญญาณภาพมารู้ทางชั่วได้ อย่างยอดเกี่ยมสาเร็จทำดีก็ได้อย่างสาเร็จสมองของมนุษย์เนี่ยความชั่วก็ได้เอาให้ให้สาเร็จได้ถ้าทางความชั่ววางเขนหนได้แน่นยางดีสร้างอะไรขึ้นมาจนเราที่เรียนร้อนจ่ามีเกียที่ญี่ปุ่นเริ่ดินไหว เหี้ยเกียร์อยู่ในทะเลจะเป็นปัญหาต่อโลกเพราะมีสมองสร้งขึ้นมาสร้างอาวุสาธสร้างยาคิดมอมเมาสยาเสพติดสร้งางยามายามาให้คนนั้นเสพติดเพื่ อ, อประโยชน์ ล้องหนังลกอนมากกว่าลงเหลี่ยเพื่อให้คนหลงสโสเป น, น, น, นีมากกว่ากูอาใจโดยการทั้านั้นมากกว่าลงเหลี่ยเพราะว่านี่คือเสืหมเพื่อหาผลประโยชน์ไม่มีเสื้อหมวกคนงูก็ตกไป็นทาสคนฉลาดฉลาดแบบต่ตโลกถ้าฉลาด ในชื่อว่ากุศนเนี่ยมันไม่ใช่ฉลาดแต่มันฉลาดผลสองช่วยกันให้คนทุกข์พ้นภัยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเวลาเกิดก็ต้ให้พ้นจากควองเกิดนี่คือความฉลาดเวลาเจอให้พ้นจากคกวองเจอะเราเก็บพ้นจากค้องเก็บเวลาตายพ้นจากความตา ย, ตายพ้นทุกอย่าง ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนาวเป็นเรื่องปุดพ้นท้องหนวดแม่ความไม่เที่ยงเคยเป็นทุกข์ความไม่เทีย่ยงน้ำตาร่วงน้นตาไหลกินไม่ได้นอนแม่หลับความไม่เที่ยงในพระธาตจ่าฝ่ายของเัาของเข้าใจจา่าตายเช่นพ่อแม่ลหมหายตายไปเป็นทุก ไม่เห็นตามความจริงเราไปหลงในความไม่เที่ยงเอาความไม่เที่ยงว่าเป็นตัวเป็นตนความไม่เที่ยงมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เชื่องความใครมันอยู่ในหัวว่าของใครไปชีวิตเดีลูกในน้ำตรงนี้มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ก็หลอยไปอยู่ไปตามกาลเวลาของโลก เวลาผ่านไปเท่าไรมันก็ไีชิดเราไปเท่านั้นมันไม่เที่ ย, กยก ง, ก, งการเวลาีย่งกินกินสปะชิงคืนกินสปจริงการเวลาให้ให้มันให้มันหมดไปชีวิตก็น้อยลงน้อยลงไปเอเมื วินาทีนาทีชั่วโมดวันเดือนปีการเวลาเหมือนเพชรขาดจงโคจะไปฆาาเวลาผ่านไปเท่าไหร่เหมือนกับโคเดินเข้าไปไมันเพชรขาดจง ก็ไปสู่ตะหลงจงเพื่อประหารชีวิตข้าวไปทีลข้าพอไขควมถ้าไปทุกข้านี่คือมันเป็นธรรมชาติมันเที่ยงเราจะใช่อย่างงานชีวิตของเราในมาวัชชนีปัหมาใต้อย่างงายในกร่ีเที่ยงวันเกิดว่าถ้าเราไม่เห็นแจ้งตอนริง ไม่ได้เป็นพวกควมไมเที่ยงเป็นนิพพานได้เลยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขาทั้งหลายทั้งปวงเป็นเที่ยงเมื่อน่านย่อมหนอยนาอยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานเบื่อหน่ายเห็นความไม่เที่ยงไม่ได้ปร็นมา ใช้เาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้สมบูรณ์รู้ว่าเป็นเช่นนี้ <c oughs> สู่ธรรมชาติไปหมดดินลงไปสู่ดินหน้ามือถูอหน้าลงไปสู่โลไ่ไฟไปสู่ไฟเป็นธาตุเป็ น, นขันมันไป็นความไปเที่ยงไม่ควรจะเบียดเบียนกันนั่นก็ขันหนึ่งลูกขันขันหนึ่ง มีแต่กปปองผูกความขมมันใช่ไหมใครเจ็บใคปตาเห็นเช่นนี้จิตก็จะสูงขึ้นเหนือความไขเขี่ยวเหนือความทุกข์เหนือความแจ็เหนือความเจ็บเหนือ ค, ความตาถ้ามันเป็นเช่นนี้จริงๆแล้วเกิดเมื่อไรความเที่ยงเกิดขึน้นแล้วกิดแล้ว ไม่ละทิ้งเก่าเป็นแก่การที่จะเป็นโทษเป็นโทษเป็นความเห็นแค่ตางความจริงเป็นมิปัญนาอย่างรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเคล็ดตามความจริงว่าเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองเรียกว่าสุดจร ไม่เป็นกับสิ่งเหล่า น, นั้นมันเป็นเช่นนั้นเองไม่มีไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรยึดว่าตัวว่าตนของเราสัพเพาามานาลังอภิเนเมฉายาสิ่งทั้งหลายทาั้งปวงไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรยึดว่าตัวเราว่าของเราหนอยตัวอยู่ได้มันเลยไม่เป็นอนาร นี่เป็นสถาบันมันจบในความมนเที่ยกกกงก็จบแล้วในความเปทุกข์ก็จบแล้วในความไม่ใช่ตัวตนก็จบแล้วเรียนจบไม่เป็นทุกข์เพราะความเฉียงไม่เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนเป็นสถาบันแน่นอนจะเป็นมาจย่งไก็อยู่ในสภาพแบบนี้ ใจทุกเป็นทุกเป็นไปไม่ได้ไม่ถูกต้องที่สุดให้ทุกเป็นเรื่องไม่ทุกไปความถูกต้องที่สุดเป็นสถาบันชีวิตชีวิตได้สถาบันจบที่ตรงนี้ใจความหลงเป็นความหลงเป็นไปไม่ได้ให้ความหลงเป็นความไม่หลงเป็นได้เป็นความถูกต้องจบมาหลงมาตรงนี้ความหลงก็ต้องจบด้วยความประโยช เวรทุก็ต้องจบย่ยวามไม่ทุกเวรโกรต้องจบเยวามไม่โกถ้าเป็นเช่นนี่เราจะอยู่ไงเป็นมิตรภาพเป็นมิตรภาพทุกคนมีชีวิตแบบนี้อะเรจะเกิดขึ้นว่าแผ่นดินลาบวหน้าของใส่กองใจพีจักรกองใ <laughs> มันเลียบ ศาสนาภาษีอาเบียเวไต่ก็จะมาตัดสลูมันคือคนปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกหลาหมู่ชนผูเ้เชื่อฝังคำสอนของผู้เจ้าปฏิบัติชอบตามพระธรรมในหมู่นี้่ยเี่ว่าผู้เป็นพระขึ้นมาในใจจะเป็นเช่นรดมันมีอยู่ในชีวิตเหล่านี้นะมีอยู่แน่นอน โนผู้ที่นอนี้เกิดมีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยแหละอย่าหลงซะเห็นไหมมามปฏิบัตธรรมปฏิบัติธรมรมสร้างคธรรมจริธรรมมันนี้นหะชีิตเรากขึ้นมานะมันเห็นเห็นมันหลงไหมมีไหมความไม่หลงอนะ่ะมีความรู้จักตัวไหมหรือว่ามีความหลง ในควหลงต้องมีควรู้สึกตัวไม่เห็นเห็นมันหลงเป็นผู้หลงควมรู้สึกควรู้ท่าเป็นแบบนี้ความรู้สึกความรู้ได้เป็นเป็นผ้าอบผ้าอบอะไรนะผ้าอบใส่เพชรมี่งจีนนะใส่ทองใส่เพช เฮ้ยถวมมีค่าเจ็บไหวไหนก็อกผาอ บ, อบสติฉันยันยะเป็นผาอกใสชีวิตเรามีค่านะชีวิตไม่ใช่เกิดมาเจ็เจิตานะเกิดมาเพื่อกามนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างองื่นรุ่มค่ารุ่มค่านะเปลี่ยนหลงก็ไม่หลงนะเะจนชีวิตขึ้นมาลนะ เปลี่ยนทุกข์เป็นอทุกขเปลี่ยนผ่ดยเป็นยเ ป, เ ป, เปลี่ยนร้ายเป็นดีเนี่ยเนี่ยชีวิตมันเกิดอะไรเี่ยชวม่ไเกิดจากฮะ อ, อยู่นิจิจักกัตาชสังเจตตาชะลาภะชะโอภปาติกะเหมือนกันกบพืชสูตรหนึ่งพสูตรในเกษตรปตกอันนั้ น, นอันหนึ่งีวยว่าเป็นธาต เป็นขันเป็นบูปเป็นนาขันทฆาเกิดในขันสังเจตุทฆาเกิดในเท่าไครราพระอนาคามีเกิดในน้าเมื่อโอปาติกะเกิดผุดขึ้นผุดขึ้นอะไรบ้างเหร โอปปปาติกะเกิดเดี่ยวนี้เกิดเป็นเป็นเทพอุปฏิเทศเกิดขึ้นไนเทพคืออะไรคอยิ่งใหญ่เหนือทุกอย่างอุปฏิเทศหมายจงเกิดคุณรับภาพคุณถอดไปดฟิทขึ้นมา <c oughs> โอ สมมุติเทพตนเทพที่สมมุติเช้นเฉพาะมหากษัตริย์และธรรมดีนายกท่นตืน่นสมเด็จท่านโชนี้เป็นสมมุติเทพกระติีเ ท, ทพเกิดขึ้นกับผูกคนหนา โมดิสุติเทพเป็นปรพระอ่ารพระเจ้าคือว่าเป็นโมดิสุติเทพเป็นเทพที่ยิงย่งใหญ่โมดิสุติเทพไม่มีอะไรเปรียบเพื่อนไา้เหมอกานเกิดเกิดกับการอุปฏิเทพเกิดขึ้นในหัวใจของมนุษย์ที่ว่าโอปปปาจิกะเกิดผุดขึ้นมาเกิดผุดขึ้น ถ้าเกิดดีถ้าเกิดไม่ดีก็เกิดโผลขึ้นมาเพื่อนเปรดสุสุลกรอรสันลูกเรือฉาโอเบิรโอปาฏิกะเกิดขุดขึ้นมาไม่ต้องทิ่งซากศพไม่ต้องเลี้ยงด้วยงูโอปาติกะเกิดขุดขึ้นมามาทเทโรเมเปรตเปรตเป็นปปสุลกอกแล้วสนลกเป็นเรือฉา แล้วก็ตายไปน็นทิ้งชาติศพเรื่อกุ้มไรกุมดีตอนนี้เรื่อมีเป็นพพเป็นชาติหนึง่งถ้าเห็นมันจะสิ้นวกสิ้นชาติไม่เป็นกับสิ่งใดทั้งหมดมันจบถึงมันจบมันทุกข์ถึมันทุกข์มันจะผู้ชุกมันจะผู้สุ ก, น, ก, น, ก, น, น, กนี่เรืู่งผู้สิ้นภพสิ้นชาติมันจะเกิดเท่าได้ใน ภพอย่างเนี้่ยถ้ามันจะเกิดเป็นภบที่เป็นอุบโวที่สุดทีิเทพคือความบริสุดิ์ใจไม่มีอะไรเปิดเผนได้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงความหลงเปิดเผนมาได้มันเจ็บมันเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บความเจ็บเปิดเผนมาได้ มันทุกไห่มันทุกไม่แต่ผู้ทุกไหนคนทุกเปิดเพื่อนม่ได้เจ้าปลาบริสุทธิ์หรือว่าผมอาจารยบเจาปลาบริสุทธิ์สีเทิดได้ยึดควรที่จะไปถึงตรงนี้นะไม่ใช่เพื่อนอะไรทั้งหมดหรอกหมอนผู้ดรวนนีปอยให้ชีวิตมอมแมวมอมแมวมันลูกน้อยเล่นมมแมวเ็พ่มเห็นัวล้งอย่างใดเลย แ้มีสติจริงจะกระตือลดือร้อนนะเปลียนลงไปไม่ลงนี่กระตือเดือดร้นนล้างบางออกไม่ได้ค่อยเดือดรูกค่อยือนามหล่อสามสิปีไม่เคยรู้จักเรื่องนี้กอมามีสติมาเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นความมาแจ้ง ค, ความมาดูเห็นความคิดแต่ก่อนไม่เคยเห็นความคิดนะ คิดอะไรก็เป็นไปตามมันเลยทำัมเห็นโอ้ตัวคิดนังนเป็นจำหนึ่งนอะนั่งอยู่นี่คือรูกนั่งอยูเนี่คิดถึงลูกถึงเหนือไปนโน่โอนอนามัยคิดจำหนึ่งไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ตือลูกกลับมาลูกสึกตัวนี้คิดที่ใดที่ไม่ทั้แต่กรรมน่ะนองจากขออยันได้เปลี่ยนความคิด เป็นวลวามลู้เป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งก่อ น, นที่มันจะทาชัช่วพูดชัวช่วคิดชั่วคิดก่อนพูดของจนไดอกอะไรอ่ะอัตั้งคิดก่อนคิดที่จะทตัวนั่นหละสัมุทรนั่นหละสัขงขาร หรเนียทุกสมุทัยในโลทุกจาก า, าจากสมทส ท, ทุกเกิดสมทยคืออะหลพอดีกับความรูู้่กับคหลร้หลิไ ป, ปัน สมุทัยคืตัวสังขารคือหลกปุ่มไปพอรูปกับวิสังขารมันปุ่มเป็นสังขารตรงแม่สุดใหทุกพายโถดให้โรคผสมให้รักให้เป็นสังขารวิสังขารเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารคือไม่ปุ่มนี่คือในโลกสังขาร มันปรุงวิสังขารหยุดปรุงมันหลงรูปฮะเรื่อหลงเป็นสังขารวมรูปเป็นวิสังขารเป็นคู่กันมีในชีวิตของเรานี่อย่าปล่อยชีวิเตเถืนทิ้งยกฝนขึ้นมากระตือรือร้นอย่าประมาักถ้าประมาักไปไกล ประเด็นความเกิดแกจะตายเกิดดับเกิดดับในน้ำมลูกซ่อนขึ้นมาอีกทีไหนลูปน้ำมีนําวไมอมีน้ามลูกเกิดขึ้นีกน้ำมลูกเกิดจากอาตนะอาชนาเทไรตาโผล่จมูกเร่งกาจขึ้นโปรตีนเชียมมีสมมติบรรยบวัตถุอาการมากมาย บรรยัขึ้นมาสมุดตารูปสมุติว่้ชอบตาลูกสมุดไวไม่ชอบใจคิดนึกขึ้นมาสมมุติว่าพอใจไม่พอใจนั่นสมุดบรรญัติเ ม, มื่อชอบเมื่อไม่ชอบเป็นครบหนึ่งครบหนึ่งน่าจะบรรยัติเอาในบัญญัติไม่ใช่ของจริงเป็นสมุดขึ้นมา น่าเป็นตัวเราเพราเราชอบทําตามความชอบตามความความชอบแต่ตามความชอบในความบัญญัติไม่ถึงบางทีก็ชอบเล่าชอบบุรี่บางทีก็ชอบความอะไรไปต่างๆมาแตกต่างกันไม่ใช่ความฉุดจับคนหนึ่งชอบกันงคนหนึ่งชอบต่างเอาความชอบแบบสมมติบัญญัตขัดแย้งกัน น่ะสบายกัได right. yeah. ้ธรลมะจับจักเปนอันเดียวกันถึงเราโกรธเป็นสมุติปัญญะถ้วไม่โกรธเป็นธรรมะจักจับอันเดียวกันเรโกรธต่างเาลากันจริงที่คนหนึ่งโกรธคนหนึ่งก็ไม่โกรธจริงที่คนหนึ่งหนึ่งทุกคนหนึ่งก็มาจุกมีในโลกแน่จริงที่คนคนหนึ่งหลงคนหนึ่งก็ไม่หลงมีในโลกแน่ นีแ่แปัญญ า, าสัจากมันต็นจริงในชีวิตเ่นี้เอาไปกำหนดเอาไปํำกับการใช้ชีวิตของเราได้อย่าหลงซะถ้ามีสติสติเป็นพรอบใส่ชีวิตเห็นไม่เป็นเพราะจากภาวะที่เป็นเหนือโลกโลกคือรสชาติไม่ใช่เหนือโ ล, ก, ล, ก, คอ ล, คอลกคือเหนือแผ่นดินนี่คือรสชาติทั้งหลายท่านบอก เสียงก็ไม่ลดกิ่นก็ไม่ลดลูกก็เป็นรถเพิ่มคิดเฉยก็เป็นรดเจ็บปวดเพราะความคิดมีรสชาติเจ็บปวดวคิดขึ้นมาเจ็บปว ด, ด, เ, ป เ, จปวดเจ็บแล้วหัวใจเจ็บปวดมีรถชาติกันถ้าเหนือโลกคือเหนือชิงเราเองเห็นไม่เป็นนี่ยเฮ้อ <c oughs> มันยอดเกี่ยมจริงนะธรรมะเนี่ย ก็ส er ุดจริงๆในคิตของเราเนี่ยให้เราเริ่มศึกษาให้เาหลงเปลี่ยนหลงเป็นหลงให้เป็นลูกเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นลูกเป็นสถาบันเปลี่ยนทุกเป็นลูกไมาทุกเป็นสถาบันเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเป็นสถาบันเปลียอะไรเป็นสิงที่เหนือจริงที่เป็นน่ะให้ไม่เป็นให้ไม่เป็นเรียกว่าสถามัน ชีวิตก็จบวันหนึงแม้มันจะมีอะไรเกิดขึเห็นมันจบมันจบจบแล้วแผ่นดินสุดสุดยอดความเกิดความตางไม่มีควาหมยไม่มีค่าจุดหมายปลาทางคือกวไม่เป็ น, ร, น, น, นประดับควมเกิดเกิดตายมีค่าคืายปลายทางให้เป็นะระดั ขึงจะหมายปลายทางี่ว่าปฏิบัติธรรมนะดั น, นันนี้ก็สมคมัญเกี่วกเวลาเวลา